เมื่อกี้เราได้เกริ่นเรื่องความอดทนเราดูไปแล้วเราเห็นความสําคัญเราเห็นคุณค่าของความอดทนคนเราต้อขาดความอดทนสียอย่างอะไรก็หลุดม้หลุดมือไปหมดทนเจ็บทนปวดทนแดดทนร้อนทนหนักทนเบา มันเป็นการอดทนธรรมดาเพราะเราต้องประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ประสบหนาวประสบร้อนประสบการประสบงานประสบประสบหนักประสบเบาทุกยากลำบากประสบทั้งหมดเราต้องใช้ความอดทนทั้งหมดความอดทนทั้งนั้นมันเป็นความอดทนเพื่อต่อสู้กับ ระหน้าที่การงานพระพุทธติาทรงตรัสว่าสิ่งที่จะต้องอดทนด้วยเรียวแรงด้วยจิตด้วยใจจริงๆท่านเรียกว่าอธิวาสนะขันติคือความอดทนอย่างยิ่งยวดอันนี้หมายถึงการอดทนเจ็บใจเราดูสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายึดเราถือ ก็เป็นเหตุให้ทิมแทงใจเราเนี่ย น, นี่เราต้องอดทนอดทนเจ็บใจกิเลสมันจิ้มหัวใจของเราให้เราเจ็บแสบปวดร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเราต้องอดต้องทนมันมากระสิบกระซาบมันกระทบกระแทกกระทั่งมาเคาะมาตีจิตใจของเราตลอดเวลาเราต้องต้องอดทน ท น, ทนเจ็บใจต่อสภาพข้างนอกและทนเจ็บใจต่อสภาพข้างในนี่ต้องอดทนต่อความเจ็บใจทนต่อคํานินทาว่าร้ายทนต่อคําแช่งดาง่าทนต่อคําเสียดสีทนต่อการจับผิดกล่าวร้ายป้ายสีทนทั้งหมด อดทนอดทนต่อความเจ็บใจการอดทนต่อความเจ็บใจต้องอดทนอย่างยิ่งอย่างยิ่งยวดมากกว่าการอดทนต่อแดดต่อฝนต่อหนาวต่อร้อนต่อหิวต่อกระหายนี่คือความอดทนข้างในและเป็นความอดทนที่พยายามขบพยายามเจาะพยายามขุดพยายามคุยพยายามค้น เพื่อทะลุทะลวงเพื่อรือ้อเพื่อชำระสิ่งที่ปิดกั้นหัวใจของเราเนี่ยคือทนเภาวนาตัวนี้ก็ต้องใช้อธิวาสนาขันติคืออดทนอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันถ้าไม่เราเราไม่ใช่ความอดทนอย่างยิ่งยวดพอเรานั่งไปสัหน่อยกิเลสมันก็ซิบกระซาบเราก็ถอยแล้วนั่งไปสัหน่อยกิเลสมันก็ซิบกระซาบเราก็ถอยลแล้ม เราดูว่าที่มันกระสิบกระซาบนั่นแหละตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ดูอะไรมันกระสิบกระซาบกระซิบกระซาบเรื่องอะไรกิเลสมันยุ่ยเยจิตของเราให้ให้ให้คิดไปไหนให้นึกไปไหนให้เราไปสนใจกับอะไรดูมันดูงานข้างในงานในภายในเพราะว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้มันจะตามมาเรื่องกิเลกกับธรรมนี่มันจะตามกันมาเป็นเงาตามตน เป็นเงาตามตัวถ้าใครเคยอ่านหนังสือธรรมะคู่แข่งขันที่หลวงตาท่านแต่งธรรมะคู่แข่งขันเนี่ยนะก็คือคู่แข่งขันระหว่างธรรมกับกิเลสกิเลสกับธรรมนี่แหละมันจะแข่งขันในหัวใจของเราเนี่ยเอาใจเราเป็นสนามเป็นสนามแข่งแข่งไปเรื่อยแข่งไปเรื่อยแข่งไปเรื่อยตราบใดที่ทําลายวิชายังไม่ได้เนี่ยเราจะต้องแข่งกับกิเลสไปตลอดไปเรื่อยไปเรื่อย เราคิดว่าเราตั้งใจภาวนาแล้วเราจะคิดว่ากิเลสมันมอหมอบให้เรา เ, เดินไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะกิเลสมันมีหลายขั้นหลายตอนหลายระดับหลายหยาบหลายละเอียดที่มีอยู่ในหัวใจของเราเราแก่เราแก้ขั้นหนึ่งได้ยังเหลืออีกขั้นหนึ่งแก้ขั้นหนึ่งได้เราแก่ได้ยังเหลืออีกขั้นหนึ่งแก้ขั้นหนึ่งแก้อย่างหนึ่งได้เหลืออีกอย่างหนึ่งมันตามมาเหมือนกับฆ่าศึกศัตรูอุปสรรค ที่มันคอยมารบเรา้าปิดกั้นจิตใจของเรานมันมาเป็นระลอกระลอกระลอระลอกเหมือนคลื่นมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจของเรานั่นแหละทําไมถึงเกิดกับเพราะใจเราลุ่มหลงใจเราไม่ฉลาดพอลุ่มหลงในอะไรลุ่มหลงในกิริยาอาการของตัวเองที่ไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวไปคลป้องไปผูกพันหลงหลงกับ ยึดกับความลุ่มหลงของตัวเองความลุ่มหลงนะั่นพาให้เรายึดเรายึดเพราะเราลุ่มหลงเราลุ่มหลงเพราะเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาเพราะจิตเรามืดบอดอจิตมันมืดจิตมันบอดมันมองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษในจิตของเรามองไม่เห็นตัวกิเลสมองไม่เห็นตัวสมุทยัยสมุทยัยที่เป็นตัวแฝงมากับจิตของเราเหมือนกับ หลวงตาท่านว่านางบังเงานางบังเงากิเลสมันเหมือนกับเงาตามตัวเหมือนกับเงาตามตนมันแข่งมากับแข่งมากับธรรมในใจของเรามันจะแข่งมาตลอดนั่นแหละเพราะยังใครเคยอ่านหนังสือหนังสือธรรมะคู่แข่งขันไปเอามาอ่านดูหลวงตาท่านจะเขียนในลักษณะกิเลสแข่งกับธรรมนี่แหละะ ทำก็แข่งกับกิเลสก็เลยก็แข่งกับทำเป็นคู่แข่งขันกันใช้ชนะต่อเมื่อทำลายวิชาได้หมดนั่นแหละถึงจะหมดหมดคู่แข่งขันเป็นพระโสดาบันก็ยังมีคู่แข่งขันเป็นพระสกสกิทาคามีก็ยังมีคู่แข่งขันอยู่เป็นพระอนาคามีก็ยังมีคู่แข่งขันอยู่ thế? ทำลายอวิชาได้นะ อรหัตตะักอรหัตตะผลนะทำลายคู่แ ข, ข่งขันได้ทั้งหมดในระหว่างที่มีคู่แข่งขันน่มันจะมีแพ้มีชนะเพราะอะไรเพราะมันมีคู่มันมีสองคอยแซงกันมีเรื่อยเพราเราอ่อนซะหน่อยเนี่ยเข า, นนยาก็แซงหน้าพราะเขาอ่อนซะหน่อยเราก็แซงหนักเพราะเราได้กำลังวังชาดีซะหน่อยเราก็แซงหน้าเพราะเราอ่อนแรงซะหน่อยเนี่ยเขาก็แซงหน้าคำว่าเขาก็คือกิเลสนั่นแหละมันแซงหน้า สนามแข่งของมันก็คือใจของเราเนี่ยเราดูไปที่ใจของเราเราจะเห็นสนามจะเห็นว่าใจของเราเนี่ยเป็นสนามแข่งระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้เราพูดถึงนักภาวนานะนักต่อสู้นะเพื่อที่จะทําลายกิเลสนะมันยังมีธรรมะคู่แข่งเป็นคู่แข่งกับกิเลสกิเลสมันเป็นคู่แข่งตลอดเวลาอยู่แล้วมันอยากจะครองโลกอยู่แล้ว กิเลสอยากจะครองโลกอยู่แล้วแต่ในเมื่อเราเรามีธรรมะเป็นคู่แข่งอกิเลสเลยต้องมาแข่งกับธรรมธรรมะแข่งกับกิเลสกิเลสแข่งกับธรรมในระหว่างที่มีการแข่งไหนะจะมีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะใครกําลังมากกว่าก็ล้าหน้าใครกำลังกําลังอ่อนกว่าก็อยู่ข้างหลัง กิเลสกำลังมากกว่ากิเลสกำลังหน้าเราธรรมะกำลังมากกว่ากำลธรรมะกำลังหน้าเรามันลําหน้าในหัวใจของเราเนี่ยเป็นคู่แข่งขันกันตลอดพอหมดคู่แข่งขันมันก็เป็นอิสระเป็นดวงเดียวเป็นเอโกโทโมไม่มีคู่แข่งขัน ไม่มีคู่แพ้ไม่มีคู่ชนะเรายังมีคู่แข่งขันอยู่เรายังมีคู่แพ้ยังมีคู่ชนะนี่เราพูดถึงผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติถ้าหากไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่สนใจรักษาศีลไม่งสนใจปฏิบัติธรรมไม่สนใจสมาธิไม่สนใจสมถาวิปัสสนาด้วยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีธรรมะมาแข่งขันแหละมันจะมีกิเลสทั้งหมดจิตดวงนี้เป็น เป็นดวงของกิเลสเป็นเมืองขึ้นของกิเลสทั้งหมดมันไม่มีอะไรมาแข่งกิเลสสนุกเลยแหละท่านี้สแสดงกลโบายได้สารพัดแก้วสารพัดนึกคือกิเลสลนะนะกิเลสมันพานึกไปตามเรื่องตามราวของมันทั้งหมดนึกอะไรกระดุกกระดิกพลิกแผลงไปในแง่ไหนมุมใดเป็นกลเป็นอุบายเป็นมายาของมันทั้งหมดเป็นของมันทั้งหมดเราไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัว เหมือนครบาอาจารย์ท่านเปรียบเน่ยเราไม่รู้ตัวว่าอะไรคือกิเลสอะไรคือธรรมถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนแกะดําหมดทั้งตัวเน่ยไม่รู้ว่าส่วนไหนมันสกปรกไม่รู้ว่าตรงไหนมันสกปรกทว่าร ง, งันนะเลยไม่รู้สึกเนือ้อไม่รู้สึกตัวก็อยู่มืดมิ ด, มดปิดทวารอยู่อย่างนั้นแหละที่ความเป็นอยู่ก็ลุ่มลุ ม, ลมดอนดอนตามที่กิเลสมันพาทํานั่นแหละทั้งๆ้งที่เราก็มีสติมีสัมผััญญาอยู่แต่ก็เป็น เครื่องมือของกิเลสทั้งหมดกิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดปัญญากิเลสก็เอาไปใช้เป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดสติมันก็เอาไปใช้เป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดสัมปชัญญะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดความอดความทนที่เรียกว่าขันติหรือโสระจจะโสระจจะเราไม่ต้องพูดถึงละโสระจามันเป็นเรื่องของธรรมแต่ความอดทนกิเลสมันก็เอาไปใช้ทั้งหมดถ้าจะว่าโสระจจะโดยภาษากิเลสก็คือกิเลสมันทนหน้าด้าน นทนหน้าด้านสามารถแสดงบทบาทได้ทั้งหมดทั้งขันติทั้งโสระ จ, จักิะเรียกสามารถเอามาแสดงได้เพราะเป็นเนื้อเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งหมดเนี่ยในที่สุดจิตดวงนี้ก็เลยเป็นเมืองขึ้นของมันทั้งหมดมันพาทำอะไรตามใจชอบทั้งหมดทั้งนี้เกิดขึ้นจากความลุ่มหลงของจิตของเรานั่นแหละ ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้รู้แท้ๆนะเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์แต่ผู้รู้เกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสพร้อมกับกิเลสกิเลสเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองคําว่ากิเลสกิเลสคือสภาพที่ทําให้จิตเราเศร้าหมองนะทำเป็นสภาพที่ทําให้จิตเราเศร้าหมองคือผู้รู้น่ยมันเป็นผู้รู้ที่ยังไม่ได้ซักฟอกยังไม่ได้ขัดเกลารตัวเองเต็มไปด้วย ตันหาราคะที่ท่าเรียกว่าตันหาคือความทยานอยากเต็มแปร่ชุ่มแปร่อยู่ในนั้นความทยานอยากตันหาคือความทยานอยากกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาพลังของมันก็คือแสดงความอยากกระดูกกระดิคพลิกแผลงขึ้นมาที่กีดของเราล้วนแต่ความอยากที่มันแสดงออกแต่ในขณะเดียวกันมันก็มี ธรรมะคอยฉายแสงออกมาบ้างอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าจิตมนุษย์เรามันเป็นเป็นจิตที่มีมากับกิเลสมีมากับธรรม อ, อยู่เป็นมันเป็นมันเป็นภพชาติที่มีจิตมีธรรมแฝงมาอยู่ด้วยกันแม้แต่สัตว์บางการบางคราวเขาก็มีธรรมแฝงมาอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมืดมิดปิดถารก็ตามบางการบางคราวก็ยังมีความสว่างแวบบ แวบๆออกมาได้เหมือนกันด้วยเหตุนั้นแหละจิตของมนุษย์จึงสามารถพัฒนาได้เมื่อมีผู้รู้ช่องบอกทางก็สามารถหันเหมาในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องแล้วก็ยินดีประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็สามารถเข้าสู่ช่องทางไปสู่กระแสแห่งความสว่างสวยได้ก็เหมือนอย่างพวกฤษีชีไพรพวกปัญจวัคคีย์อย่างนี้นะ่ะเาก็ตีบตันอยู่อย่างนั้นน่ะ เขาทำความสงบมาขนาดไหนมาเท่าไรต่อเท่าไหรแต่ด้วยเหตุที่ไม่มีปัญญาพอที่จะไปเคลียร์ฝุน่นละอองทลีออกจากจากตาได้คือจากใจได้เขาก็เขาก็ได้รับผลแค่นั้นผลเกินนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นพระศาสดาของเราด้วยบุญญาบารมีท่านจึงสามารถรู้ตรงนี้ได้ด้วยพระองค์เองได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะ ตาราสรู้เองโดยชอบตาราสรู้เองโดยชอบก็คือ ว, วิธีการขวนขวายของพระองค์ประกอบไปด้วยบุญญาบารมีทำาพให้พระองค์เดินถูกช่องถูกทางถูกช่องถูกทางที่จะก้าวไปสู่หลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่เพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมบรรลุ ด, ด้วยหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่แต่ถ้าถ้าเผื่อเป็นความสงบอย่างเดียว พวกฤาษีชีปลาทั้งหลายทั้งปวงที่เขามีมาทั้งในพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีหรือไม่มีก็ตามฤาษีชีไพรต่างๆเหล่านั้นเขาก็มีสมาธิมีทั้งมีทั้งรูปรูปมีทั้งอารมณ์ที่เป็นรูปปิชาลและอรูปปิชาลมีทั้งสมาธิสมาบัติพิจารณาได้ทั้งอารมณ์ที่เป็นรูปปิชาลทั้งอารมณ์ที่เป็นที่เป็นที่เป็นอรูปปิชาล สมาบัตแปเนี่แหละเช่นอย่างอุทกันดาบทอลารัดาบทเนี่ยนถะ้าก็จบหมดแหลนะสมาบัตเจ็ดสมมาบัตแปดท่านจบหมดแต่ท่านก็อยู่อย่างนั้นนะ่ะอยู่ในขอบในข่ายของเกิเลสมันห่อหุ้มอยู่นั่นนะ่ะเกิเลสมันเป็นส่วนละเอียดห่อหุ้มอยู่ในนั้นนะจิตจะสงบก็ตามแต่โอกาสที่จะมาทําลายมาพิจารณาให้เกิดความรอบรูนะ้ไม่มีปัญญาที่จะแวกออกมาได้ขาดบุญญาบารมีเพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ขวนขวายเพื่อแวกว่ า, ายตาไข่ตรงนี้ออกมาให้ได้เราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์นะจะสร้างบารมีศี่อาศงไข่แปดอาศงไข่สิบหอสงไข่เนี่ยบารมีต่างๆเหล่านี้จะต้องสร้างด้วยความภาคความเพียรความเพียรอย่างยิ่งยวดสี่อาศงไข่นับไม่ได้สี่ครั้งเราดูนับไม่ได้สี่ครั้งแปดอสงไข่นับไม่ได้แปดครั้ง สิ่หสงไขยนับไม่ได้ส6บหครั้งประเภทศรัทธาทิกะศรัทธาทิกะวิริยาทิกะปัญญาทิกะสร้างบา ร, รมีการสร้างบา ร, รมีนี่เองาบา ร, รมีจึงเป็นพลังทำให้การค้นคว้าของพระองค์นี่ได้ช่องถูกทางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญในวันเพ็ญเดือน วันเพ็ญเดือนเดือนหนัะนะ่นแหละวันที่พระองค์งตรัสรู้นั่นแหละทังทั้งที่สมาธิสมาบัติพระองค์งก็ทรงไว้เต็มหัวใจแต่ก็ยังหาช่องออกไม่ได้จึงออกจากสำนักมุทคัตดาบท阿拉ทัต ด, ดาบทท่านออกมาแล้วท่านก็มาสอบหาด้วยความอุตสาหพยายามด้วยความวิริยะอุตสาหะของพระองค์งเองเนะพอในวันเดือนวันเพ็ญเดือน6เนะี่ยตั้งแต่เริ่มหมัวค่ำเนะี่ยพระองค์งก็ เข้าสมาธิสมาบัตินั่นแหละพิจารณาแล้วเกิดญาณอย่างรู้เกิดญานนณทัศนะเห็นพบเห็นชาติของพระองค์เองที่ทอว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเริ่มเริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มพิจารณาแล้วเห็นพบชาติของตนเองนี่ไม่มีจบไม่มีจุดจบย้อนไปกี่กับกี่กับกี่พัตตะกับกี่วิวัตตะกับ เห็นภพชาติของตัวเองเคยเกิดเป็นนษ้นเคยเกิดเป็นนู้นเคยเกิดเป็นนู้นเกิดตายเกิดตายเกิดตายเป็นคนเป็นสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเกิดตายเกิดตายยไม่จบไม่สิ้นนี่แต่เกิดกับตายเกิดกับตายอทีนี้พอทํากลางของราตรีวันนั้นเห็นพบชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเรียกว่าจตุปปาตยานคาว่าจตุปปาตยานก็คือการจุติการเกิดของสัตว์สัตว์เกิดแล้วจุดติไป จุดติแล้วก็ไปเกิดเกิดแล้วก็จุติจุติแล้วก็เกิดเขาว่าจุติก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงภพชาติของตัวเองเห็น <toes. S 1> <Lin h. S 2> เห็นภพชาติของสัตว์ไม่มีที่สุดไม่มีที่จบเกิดชาตินี้ทำกรรมอย่างนี้ไปเกิดชาตินั้นทากรรมอย่างนั้นไปเกิดชาตินั้นเกิดมาชาตินี้เคยทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นถึงมาได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้เห็นทะลุโปรในเมื่อเห็นภพชาติของพระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่าย เห็นภพชาติของส in ัตว yep ์ท <tr ั้งหลายั้งปวงเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายน่าเบื่อหน่ายเลยมาค้นถึงสิ่งที่พายเกิดเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มมาเข้าช่องเข้าทางเริ่มมาเข้าช่องเข้าทางค้นคว้าหาสิ่งที่พาให้เกิดอะไรคือสิ่งที่พายเกิดน่ะก็พิจารณาย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปตั้งแต่เกิดแก่ย้อนไปตั้งแต่ความเศร้าโศกเสียใจน่ะ ความเศร้าโศกเสียใจเกิดหมุเกิดขึ้นมาความคร่ํำครวญความร้องไห้ความคร่ํำครวญ ค, ค, ค, ค, ความเศร้าโศกเสียใ จ, จเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดมาจากความตายความตายเกิดขึ้นมาจากความแก่จากความเจ็บมันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันเลยกัน Play ย้อนมาเลยย้อนมาเลยทําไมถึงมีแก่มีเจ็บมีตายย้อนไปย้อนไปโอมาจากพบเพราะเรามีพบ เราจึงไปเกิดในภพเมื่อเรามีภพเกิดเราจึงไปเกิดในภพทําไมเราจึงมีภพพิจารณาย้อนไปย้อนไปย้อนเพราะเรายึดเราถือเพราะเรามีอุปาทานเราจึงมีภพเรามีภพเพราะเรายึดถือเรามีอุปาทานทําไมเราจึงมีจึงมีอุปาทานทําไมเราจึงมีอุปาทานมีการยึดถือตัวเองถือคนอื่นซื้อถือสิ่งภายนอกถือถือสิ่งถือทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยอำนาจของอุปาทานเมื่อมีอุ ป, อปาทานก็มีภพเมื่อมีภพเราก็ต้องไปเกิดในภพพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมามีภพก็มาจากมีภพก็มาจากตันหามีภพมีภพเพราะมีตันหาตันหาคื อ, ค, อความริ้นรอนความทะเยอทะยานความอยากของจิตคือตันหาตันหาเกิดเกิดจากตันหาเกิดจากเวทนาน เวทนาคือการประสบตาหูจมูกลิ้นกายใหญ่ไปประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เกิดเวทนาสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างก็เกิดตัณหาคขาบอกเกิดตัณหาคื อ, อยึดยึดในสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจก็ยดึดสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ชั่งเนี่ยสิ่งที่ชอบใจก็ติดอกติดใจยึดเข้ามาดึงเข้ามาสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ผลักออกไปเป็นกรรม เป็นเรื่องของตันหาเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอายตนะมีรูปมีนามกระทบกันรูปนามกระทบกันเพราะอะไรเพราะมีเกิดขึ้นจากผัสสะผัสสะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกภายในอายตนะภายนอกภายในเกิดขึ้นจากอะไรอายตนะภายนอกภายในก็เกิดขึ้นจากวิญญาณวิญญาณ6กนะนะวิญญาณในที่นี้เป็นวิญญาณห รูปนามเกิดขึ้นจากรูปนามรูปรูปก็คือรูปกายของเราเวทนาสัญญาสัญขันญาณก็คือนามนะพัสดะเกิดจากเรามีรูปเรามีนามมันถึงสัมผัสสัมพันธ์กันมันเกิดประสบเกิดสัมผัสกันรนูปนามเกิดจากวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงวิญญาณวิญญาณธาตวิญญาณ ธ, ธาตุก็คือจิตนั่นแหละจิตก็คือผู้รู้วิญญาณธาตุคือธาตุรู้ มโนาธาตุคือธาตุน้อมก็คือจิตอันแหละผู้รู้อืวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นมาได้จากอะไรนี่เป็นวิญญาณที่ยังยังดิบอยู่ยังไม่ได้ซักยังไม่ได้ฟอกก็เกิดขึ้นมาจากสังขารสรังขารเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้มันปรุงนู้นปรุงนี้ภานึกนั้นพานึกนี้คิดนัน้นคิดนี้เราไม่รู้ต้นตอที่มันพานึกภาคิด องพิจารณาย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทนี่ทที่อาศัยซึ่งการและการเกิดขึ้นเ้าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณาย้อนไปพระองค์ก็สามารถทำลายาวิชาได้ดับได้พอดับได้กับปัดชิมยามยามสุดท้ายของราตรีได้อาสวกขยายานรู้ว่า รู้ว่าพระองค์สิ้นอาสวะกิเลสดับตันหาอาสวะได้หมดดับพบดับชาติได้หมดนี่คือความเป็นความเป็นไปความเป็นมาของพระศาสดาที่ท่านขุดท่านคุยท่านคน้นนะสรุปลงไปก็รวมลงที่จิตทั้งหมดจิตคือธาตุรู้เกิดขึ้นมาแต่ตอนไหนเมื่อไรเราทราบไม่ได้ ไม่มีเราไม่มีท่านไม่มีใครทราบได้พระพุทธเจ้าท่านกระซงชี้ไปที่อวิชชาทราบไม่ได้ว่าเกิดที่เกิดตอนไหนเมื่อไร่อืพอเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งที่มาห่อหุอ้มสิ่งที่มาห่อหุ้มก็คือกิเลสตัณหาอาสวะเนี่ยมันมาห่อหุอ้มยิ่งห่อหุ้มไปไปเรื่อยพบนี้ก็ห่อหุอ้มพบหน้าก็ห่อหุ้มกี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่การก็ถูกห่อหุ้มอยู่อย่างนั้นก็เลยคล่องตัวอยู่อย่างนั้นสําคัญตัวอยู่อย่างนั้นโอกาสที่จะ เห็นว่าเป็นของแปลกปลอมเพื่อที่จะชํำช้าเนี่ยไม่มีไม่มีโอกาสถ้าไม่อาศัยบุญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยมาชําระมาขัดมาเกลาจนได้บรรลุมาและก็ตั้งตนเป็นศาสดาบอกสอนเราเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้เหมนวิสัยของพระศาสดาวิสัยของพระโพธิสัตว์วิอ่ะเป็นเป็นบารมีเป็นบา ร, ร, ร, รมีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นสาวกบา ร, รมีแล้ว เป็นผู้ที่จะต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็สร้างบา ร, รมีน้อยลงมาหน่อยน้อยจากพระศาสดาแต่ก็ต้องตั้งอกตั้งใจทำจนได้จนได้บา ร, รมีเหมือนอย่างพวกเราที่เคยมีความเกี่ยวข้องเคยมีความผูกพันเราถึงได้เกิดมาได้ยินได้ฟังมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยจริง ต่างๆเหล่านาั้นมันปกคลุมหุ้มหอจิตใจของเราเรารู้ไม่ได้เราทราบไม่ได้ในเมื่อเราทราบไม่ได้เรารู้ไม่ได้เราเข้าใจไม่ได้เราก็ต้องทำตามอำนาจของมันทำตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันก็พาเราวนเวียนไปในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นสิ่งที่เราน่าเบื่อหน่ายที่สุดก็คือความทุกข์ก็คือกองทุกข์ ที่เราประสบพบอยู่นั่นแหละเช่อนอย่างความทุกข์ในบ้านปลายหรือความทุกข์ในการมีชีวิตเนี่ยความทุกข์ในการมีชีวิตก็คือความเจ็บความปวดความทรมานความเจ็บไข้ได้ป่วยความต้องดิ้นรนหาอยู่หาอยู่หาหากินหาปัจจัยทั้งสนะ่ะมาเลยยังมาเลยยังในเมื่อเรามีกิเลสเรามีกิเลสกิเลส ก, ก็พาเรา ก่อพบก่อชาติเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเรามีพบแล้วเราก็ต้องมีชาติไปเกิดเมื่อเราไปเกิดถ้าเราเกิดในพบชาติที่เป็นมนุษย์เงี้ยเราก็มีรูปธรรมเราก็มีนามธรรมรูปธรรมก็เกิดขึ้นมารูปธรรมเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็มามายึดมาถือมาเกาะคุมรูปธรรมอันนี้แล้วก็สําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้แหละก็แล้วก็ทำมาหากินอยู่อย่างนี้แหละ เป็นไปตามอำนาจของกิเลสอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างคละเคล้ากันไปนี่คือความวนเวียนของวัฏฏะสงสารเป็นอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นโดยเหตุที่กรรมภายในจิตมันพากรดุกกระดิกพลิกแผลงทำไปต่างๆนานาทำให้เรามีความสุขบ้างทําให้เรามีความทุกข์บ้างที่ท่านเรียกว่าสร้างกรรมสร้างกรรมเพราะฉะนั้นกรรมตัวนี้แหละมันจะเป็นพลังของจิต พาจิตของเรานะให้เกิดที่สูงบ้างเกิดที่ต่ำบ้างอเกิดที่ละเอียดบ้างเกิดที่ประนีตบ้างก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นเหมือนกับเรา ว, วนเวียนอยู่ในกรงขังกรงขังของวัตฏะมันเป็นกรงขังของวัฏฏะเกิดแกเจ็บตายเกิดแกเจ็บตายทําไมถึงเกิดถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายวัฏฏะวัฏฏะในทีนี้ท่านยกหัวข้อธรรมะขึ้นมาคือกิเลส กรรมวิบากพอเราสร้างกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็วนสร้างด้วยอํำนาจของกิเลสก็เป็นเหตุให้มีเป็นเป็นเหตุให้มีวิบากกรรมสร้างกรรมดีก็มีวิบากกรรมติดตัวสร้างกรรมไม่ดีก็มีวิบากกรรมติดตัวเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากเพราะฉะนั้นพอมาถึงผู้รู้คือภูมิของพระศาสดาภูมิของพุทธะผู้รู้เนี่ยท่านจึงมาให้ตัดกิเลสพอตัดกิเลสเราสามารถจะตัดวัตถุผลได้ ตัดกิเลสตัดกิเลสเมื่อเราตัดกิเลสได้กรรมที่เราทําลงไปนั้นก็สักตว่าเป็นกิริยาของกรรมศักตว่าเป็นกิริยาของกรรมไม่มีวิบากกรรมไม่มีวิบากกรรมคำว่าวิบากกรรมในทีน่นี้หมายถึงวิบากกรรมทางด้านจิตใจถ้าเผื่เราชําระขัดกลาหมดแล้ววิบากกรรมทางด้านจิตใจไม่มีมีแต่วิบากกรรมของกาย มีแต่วิบากกรรมของกายเหมือนอย่างพระมคคัลลน ะ, ะจิตจิตของท่านเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์แล้วก็ตามแต่โดวยวิบากกรรมที่ท่านเคยสร้างทำมาทางด้านกายทางด้านร่างกายกรรมเหล่านั้นก็ตามมาตามมาเอากากเดนของกรรมของของมันก็คืออัตภาพร่างกายเห็นไหมท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีกรรม ว่พวกโจรทั้งหลายก็ตามมาทุบมาตีในที่สุดท่านก็ต้องได้นิพพานก่อนนิพพานก็เปลาพระศาสดาเปลาพุทธเจ้าแล้วก็ไปนิพพานอันนี้คือเวรกรรมที่ติดที่ติดที่ติดตามกายเราไม่สามารถเราไม่สามารถจะหักล้างได้เนื่องจากมันเป็นเนื้อเป็นหนังของของมันของกรรมเก่าๆแต่สามารถเราสามารถเราสามารถข้ามพ้นจากกรรมใหม่ไปได้ โดยการประพฤติ้ดยการปฏิบัติรักษากายให้ดีรักษาวาจาให้ดีและรักษาจิตให้ดีในเมื่อเร า, เ ร, า, เ ร, ารักษาจิตดีแล้วเราชำระขัดเกลาสิ่งที่มาห่อหุ้มจิตของเราปอกออกปอกออกปอกออกจนสามารถบริสุทธิ์หลุดพ้นชำรกกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจได้เราก็พ้นไปได้จิตพ้นไปได้แต่กายยังเป็นวิบากกรรมเพราะกายเรากายท่านนัน้นเป็นผลผลของกรรม กายเรากายท่านเป็นผลิตผลของกรรมเราทำกรรมดีได้ปลอดจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เราก็มาเกิดในภพภูมิที่เป็นมนุษย์ถ้าเราทากรรมหยาบช้ า, าต่ำช้าลงไปมากกว่านี้เราก็ได้อัตภาพที่เป็นสัตว์เป็นสัตว์เล็กเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ตที่ไร้ชานหยาบช้าลงไปมากกว่านั้นก็ได้อัตภาพเป็นสัตว์เปรต ส, สัตว์นรก เป็นเปรตสัตว์เปตรตสนนรกตกนรกโหมไฟเป็นสัตว์อสุรกายอย่างเงี้ยแล้วกเกิดตามอํานาจของกรรมกรรมจําแนกสัตว์ให้เลวกรรมจําแนกสัตว์ให้ปราณีตแตกต่างกันอันนี้คือโทษคือเวรคือภัยของจิตของเราที่มาพร้อมกับอํานาจของกิเลสรพุที่เจ้าท่านมาตรัสรู้ธรรมแล้วท่านได้ช่องได้ทาง หนทางชําระกิเลสนี่แหละจึงมาบอกมาสอนมาประกาศตั้งเป็นพระศาสนาขึ้นมามีพระสาวกฟังธรมปฏิบัติธรรมท่านตามชําระจิตตามท่านก็บรรลุตามท่านไปทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาได้ยินได้ฟังอัดธรรมของท่านแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็ได้บรรลุธรรมไปเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าท่านชี้ช่องบอกทางพวกเราเดินตามนั้นไป ก็เป็นช่องเป็นทางเป็นหนทางเป็นเป็นวิธีการที่จะชําระจิตของตนให้บริสุทธิ์จึงเป็นเหตุให้พวกเรายึดถือข้อวัดปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระสาวกพระยะสาวกครูบาอาจารย์ท่านบอกสอนมาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติตามไปอย่างงมงายเพราะการประพฤติปฏิบัติตามท่านนั้นแหะ เราสามารถรู้ได้เห็นได้ตามธรรมะที่ท่านสอนธรรมานุธรรมปฏิปติสามารถรู้เข้าใจตามธรรมที่ท่านบอกสอนได้ตามความสามารถแห่งตนแห่งตนเจตยาเราอุตสาวะภากเพียรพยายามทำให้จิตได้รับความสงบนะ่ยสู้ไม่หยุดไม่ถอยเนี่ยจิตก็พลอยได้รับความสงบไปด้วยตั้งอกตั้งใจพยายามพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสติ เกี่ยวกับเรื่องปัญญาเพื่อทําลายความลุ่มหลงของตัวเองเศาะน้นเศาะนี้พิจารณาโน้นพิจารณานี้เพื่อทําลายความลุ่มหลงของตัวเองในที่สุดก็สามารถสามารถเศาะไปได้ได้เป็นเปราะเป็นเปราะเป็นปเ ป, นปราะให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจทําลายความลุ่มหลงของตัวเองไปได้ไม่ใช่เราทําไปแล้วเปล่าประโยชน์ทําไปแล้วเกิดประโยชน์เพราะจิตเราไม่สงบเรารู้ว่ามันไม่สงบ พอเราไประ ง, งับสิ่งที่พาให้จิตเราไม่สงบได้จิตของเราก็สงบได้ก็เหมือนอย่างนิวรณที่มันพาจิตของเราไม่ให้ได้รับความสงบทีนี้เมื่อเราเอาสติเอาสัมผชัญญะมากํากับบริกรรมให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์เดียวจิตของเราได้รับความสงบได้ไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดท่านบอกส่านสอนแล้วก็เปล่าประโยชน์เราทําแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรท่านสอนอย่างมีเหตุมีผล เราสามารถปฏิบัติได้ตามเหตุตามผลที่ท่านบอกท่านสอนเราจะได้เหตุได้ผลตามนั้นจะได้บรรลุผลตามนั้นท่านสอนให้เรารู้รู้ตั้งแต่ห ย, ยาบหยาบละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่าสอนให้รู้ยิ่งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นจริงก็คือรู้ยิ่งเห็นจริงในหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่นั่นแหละวกมาที่กิเลสที่มีอยู่ในใจของเรานั่นแหละกิเลสที่อยู่ในใจของเราก็คือสมุทยัย กามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาดูไปที่ใจของเราเราจะเห็นเวลามันแสดงออกถ้าเราพยายามตั้งสติสัมปชัญญะด้วยเรี่ยวแรงที่เราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องเห็นเห็นมันโผล่ขึ้นมาเห็นมันสแสดงออกมาพอเราเห็นพอสติปัญญาเห็นปั๊บมันก็ดับระงับลงไปพอสติปัญญาเห็นมันก็ระงับลงไปพอสติปัญญาเห็นมันก็ระงับลงไปมันก็เบาลงไปมันก็อ่อนแรงลงไป ไอ้ตัวหยาบหยาบที่พอมันจะสงบระงับได้มันก็ระงับลงไปแต่ไอ้ตัวละเอียดมันก็ยังคุกรุนอยู่ข้างในเราก็ค่อยตามต้นไปเรื่อยตามต้นไปเรื่อยตามต้นไปเรื่อยพิจารณาไป เ, าเกิดความรู้เกิดความเข้าใจตามชั้นตามภูมิไปเนี่ยเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องศึกษาทาจะต้องปฏิบัติทาถ้าเราอยาก จมปลักอยู่กับกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ต้องประพฤติปฏิบัติตามก็ได้แต่ว่าความทุกข์นั้มันจะตามมาเล่นงานเราเล่นตาเล่นงานเราในอัตภาพนี้แล้วก็จะดึงเราลงไปต่ำไะเรื่อยตาำไปเรื่อยต่ำไปเรื่ อ, อถึงขั้นไหนถึงขั้นอเวจีมหาน ร, รกเราก็สามารถจะไปไปตามอํานาจของกรรมได้การกระทํานั้นทําตามอํานาจของความอยากความอยากของตัณหานี่ยแหละมันพาเราทํา เราทำโ ด, โดยไม่ไม่พินิษพิเคราะห์ถึงเหตุถึงปัจจัยถึงผลที่เราจะพึงได้รับทำตามอำนาจความพอใจเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ ย, ยไปเป็นศัตรูกับพระสัสดาใช่ไหมอ่าไปแยกสงไปเป็นสังฆเพทนะแล้วก็ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระอรหิตห่อเนี่ยพระเทวทัตจึงตกนรกเอเวจีใครเป็นคนบอกพระสัสดาเป็นคนเป็นคนตรัส เพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยไปเกิดในอับไปเกิดในอเวจีมหารกนั่นนะเวลาไปสนองกรรมเลไปสนองกรรมก็คือไปทรมานไปทรมานใจนั่นแหละทรมานเจ็บปวดแสบร้อนอยู่อย่างนั้นแหละก็ยังไม่หมดวันหมดเวลาก็ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละอเราเทียบได้ยังไงเราเทียบได้เช่นอย่างเราเป็นโรคอย่างได้อย่างหนึ่งที่มันเจ็บแสบปวดร้อนเหลือเกินะ รักษา ย, ยัางไงก็ไม่หายรักษา ย, ยัางไงก็ไม่หายรักษา ย, ยัางไงก็ไม่หายนี่ยมั น, รมนมทรมานไหมทรมานนั่นแหละดูไปที่ไรก็ทิ่มแทงหัวใจดูไปที่อะไรก็ทิ่มแทงหัวใจดูไปที่ไรก็ทรมานหัวใ จ, ท, ท, รวใจทรมานมากน้อยขนาดไหนก็ผู้ที่ได้รับนั่นแหละจะรู้เองจะเข้าใจเองอันนั้นแหละคืออํานาจของโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันทรมานร่างกายของเราเป็นคําเปรียบเทียบ ผู้ที่ท่านได้รับความทนทุกข์ทรมานอยู่ในอเวจีมหานรกเช่นเดียวกันมันเจ็บแสบปวดร้อนขนาดไหนมันก็ไม่หมดไปไม่สิ้นไปเพราะกรรมมันยังไม่หมดนี่ถ้าเราจะทําตามอำนาจของกิเลสอย่างเดียวเราสามารถทําได้แต่เวลามันให้ผลนี่แสนสาหัสสากันะเกินเราเอาไหมเราก็ไม่เอาท่านก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่งามเราควรเลือกเดินเพื่อความสุขความเจริญโดยทํา ตั้งใจรักษาศีลเข้าไปตั้งใจปฏิบัติธรรมเข้าไปเจริญสมาธิเข้าไปเจริญปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปอย่าเห็นว่าเป็นเหตุเหนื่อยเป็นเหตุยากเป็นเหตุลําบากเป็นเหตุหน้าเบื่อนายหน้ า, น า, ร, ารําคาญซ้ำซากอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดถ้าเราคิดอย่างนั้นผมหมายความว่าเราตัดขากตัดน้ําปิดกัน้นทางเราเองแล้วพู้ที่ไปไม่ได้ก็คือเรานั่นแหละถูกขวากถูกน้าของเรานะ่ยปิดกัน้นทางของเราเองในเมื่อเราไปไม่ได้ เราเคยทุกทรมานยังไงเราก็ทุกทรมานอยู่อย่างงั้นโอกาสที่จะก้าวไปเพื่อความโลง่งทงได้รับความสุขได้รับความเบ า, บาอกเบาใจอบอุ่นในหัวใจเราก็ไปไม่ได้เพราะเร า, เราปิดกั้นทางของเราเองเป็นเหตุว่าเราจําเป็น จ, จําใจจะต้องอดต้องทนเพื่อศึกษาธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อผลประโยชน์เพื่อรายได้ของเราไม่เป็นไปเพื่อใครเป็นไปเพื่อเราเพื่อท่านด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพวกเราระลึกได้อย่างนี้ก็ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกฝนอบรมไปอย่าเบื่ออย่านายอย่าเห็นเป็นเรื่องรำคาญเป็นเรื่องเสียเวลาอย่าเป็นเห็นเป็นเรื่องซ้ำซากหน้าเบือ่อหน้านายหน้ารำคาญอะไรที่เป็นไปเพื่อการบุญการกุศลให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจไปทำอะไรก็ตามให้ตั้งตั้งไวในในกุศลกุศลกุศลและจ มองเห็นมองให้ทะลุมองให้ออกเอออันนี้เพื่อผลบุญผลกุศลอย่างนี้อันนี้เพื่อผลบุญผลกุศลอย่างนี้อันนี้เพื่อผ ล, ผลบุญผลกุศลอย่างนี้อเราประกอบภาระอย่างน้อยที่เป็นข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มองให้ทะลุมองให้ออกอย่างนี้ถ้าเรามองไม่ออกนี่สิ่งที่ตามมาคือความขี้เกียจขี้คร้านทําไปทําไม่ขี้เกียจเสียเวลาะ ไม่เห็นได้อะไรเนี่ยมันได้อยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะกิเลสมันปิดมันบงังมันไม่ไม่ให้เรามองเห็นทําให้เราท้อใจทําให้เราเควงควางใจทําให้ใจเราเป็นใจที่รี ร, รีขวางขวา ง, ขวางในใจของตัวเองจะไปหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้รี ร, รีขวางขวางในที่สุดก็เครียดเร่าร้อนอมีความทุกข์มากุ้มรุมในหัวใจไม่จบไม่สิน้น อันนั้นคือเราไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจที่จะต่อสู้แต่ถ้าเราตั้ง อ, อกตั้งใจที่จะต่อสู้อยู่แล้วเรื่องช่องเรื่องทางเรื่องอุบายเรื่องวิธีเราได้ยินได้ฟังมาด้วยกันขอเพียงอย่างเดียวตั้งใจตั้งความอดตั้งความทนใช้สติใช้ใปัญญาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมนันเห็นเหตุปัจจัยเพราะเราไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยนี่แหละเราจึงมีการยึดมีการถือ กิเลสมันพาเราลุ่มหลงมันปิดไม่ให้เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเรามาทำจิตให้ได้รับความสงบบ้างพอจิตเราเริ่มสงบเราจะมองเริ่มมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยของรูปเราหลงรูปเพราะเราไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเมื่อเราเริ่มตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้า ภาวนาให้จิตได้รับความสงบก็เริ่มเห็นเหตุเห็นปัจจัยยิ่งเราพิจารณาไปแล้วก็ยิ่งเห็นเหตุเห็นปัจจัยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเหนตุปัจจัยของรูปรธรรมเห็นเหตุปัจจัยของนามธรรมเหตุปัจจัยของรูปรธรรมเราก็ดูที่ร่างกายของเราได้มาอย่างไหนได้มาจากแม่ธาตุของแม่กับธาตุของพ่อผสมกั น, นะแล้วก็อยู่ในท้องแม่อยู่ไปเรื่อยไปเรื่อยได้อายุไขก็ออกมาเนี่ยเราดูไปเราไปสิ้นสุดที่แม่ ได้มาจากแม่แล้ว เ, เอาอะไรมาบ้างมันไม่มีอะไรมีแต่เลือดมีโครงสร้างทั้งหมดในร่างกายของเราเราเราได้มาจากพ่อกับแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันได้โครงสร้างเราขึ้นมาพอเราออกมาแล้วเราก็ช่วยเหลือตัวเองใส่เข้าปลาอาหารใส่น้ําใส่อะไรลงไปนี่เหตุปัจจัยของรูปธรรมนะอันนี้เหตุปัจจัยของรูปธรรม ท, ที่ห ย, ยาบหยาบเหตุปัจจัยของรูปธรรม ท, ที่ละเอียดมากไปกว่านั้นก็คืออะไร เหตุปัจจัยของรู ป, ปรธรรมที่ละเอียดมากไปกว่านั้นก็คือกิเลสภายในจิตนั่นแหละเพราะจิตมันคิดมันถือมันจึงมีภพมันจึงมีชาติมันจึงไปเกิดในภพนั้นไปเกิดในชาตินี้ น, นี่คือเหตุปัจจัยส่วนละเอียดลึกเข้าไปเหตุปัจจัยของรู ป, ปรธรรมดูเรื่อยๆดูบ่อยครั้งเข้าดูไว้ละเอียดออดูย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปอันนี้แหละเป็นกรีหมายป้ายทางที่จะพลอยเราก้าวไปได้ก้าวไปตามนี้แหละกูบายจัน พระศาสดาภระาวกพระอระิยสาวกครูบาอาจารย์ท่านก้าวไปตรงนี้เนื่องจากเราไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยเราเลยมีความลุ่มหลงมีความยึดถือว่ากายเรากายของของเราเราดูให้เห็นข้าวข้าวแค่นี้มันก็เป็นเหตุให้กิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันจํานอนอยู่ได้บ้างจํานอนอยู่บ้างอ้างว่าเป็นของของเรายึดว่าเป็นของของเรามาจากพ่อจากแม่แท้ๆว่าขอ ง, ของเรามีของเราอะไรสักอย่าง อยู่ในท้องแม่มีอะไรของเราอะไรสักอย่างไหมของเก่าเรามีอะไรไหมยอยู่ในนั้นไม่มีมีธาตุพ่อกับธาตุแม่เราดูเห็นเ ห, เห็นแค่นี้ให้กิเลมันจํานนอ่าเห็นกิเลมันจำน น, น, น, ำ น, นแต่ไอเหตุปัจจัยละเอียดมากไปกว่านั้นที่เราให้ทําให้เราไปเกิดในท้องแม่มีอีกอยังมีอีกก็คือกรรมวิบากนั่นแหละกรรมวิบากนี้มันมาพร้อมกับจิตจิตที่เป็นนามธรรม มักเลยคาบเกี่ยวกันว่ารูปธรรมกับนามธรรมมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้อ่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้รูปธรรมกับนามธรรมมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เนื่องอย่างว่าใจของเรามีกรรมมีวิบากจึงจึงได้ไปเกิดจึงได้รูปธรรมขึ้นมานี่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันมาจากกิเลสตัวภรายเราลุ่มหลงเมื่อเราลุ่มหลงเราก็พลอยตามมันพลอยตามมันด้วยกิเลสตัณหาอาศะ มีตันหามีอุ ป, ปาทานก็มีพบมีชาติทำให้เรายึดทำให้เราถึงแม้แต่อตัตภาพร่างกายที่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยืดอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเรามาได้ยินได้ฟังคำบอกคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็พอจะอ๋ออ๋ออ๋ อ, อ, อ, อแต่ต้องตั้งใจพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปให้ลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปลึกเข้าไ ป, เ, าไปเราถึงมันถึงพอจะลงใจไม่งั้นมันไม่ลงใจดอก เพราะกิเลสมันกําลังมันมีกําลังมันมีเรี่ยวแรงอยู่ข้างในพิจารณายังไงมันก็พยายามดึงเรออกพิจารณายังมันก็ดึงเรออกพิจารณาต้องขยเยิกันอยู่นั่นแหละแค่ความสงบเราขยเยิรพยายามดึงดึงดึงดึงเพื่อให้มันให้มันได้รับความสงบเมื่อมันสงบมีกําลังวางชาถึงเราปล่อยคําบริกรรมและจิตไม่ไปไหนมันก็มีกําลังเมื่อมีกําลังแล้วก็เอามาพิจารณาขยับลองดูขยับลองพิจารณาลองดูขยับ อย่าว่าว่ากายเรานะ่ะดูที่ตรงไหนเป็นเราเป็นของของเราบ้างอืมอะไรเป็นของของเราบ้างเมื่อเราดูมาที่จิตจิตมันมันเป็นคนยึดคนถือว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราร่างกายมันไม่มีอะไรร่างกา ย, ยร่างกายเป็นร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เท่านั้นเองตัวเจ้าใหญ่นายโตของมันแท้ๆก็คือจิตใจจิตใจมายึดมาถือ ในเมื่อยึดถือไปมากๆเข้าเเลยสำคัญว่ากานี้เป็นเราว่าเป็นของของเราสาคัญว่าเป็นเรานะเป็นตัวตนของเราแท้จริงมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นไปตามภาวะของมันมันเป็นไปตามภาวะของสังขารที่มามาประกอบกันแล้วจะต้องเป็นไปตามภาวะของมันภาวะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่จะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา เราดูด well, ah ูเราดูพิจารณาดูอย่างนี uh ้แล้วเราก็จะก็จะได้รับความเข้าใจเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานสังขารพ่อกับสังขารแม่ประกอบกันเห็นไหมพอสังขารประกอบกันแล้วสังขารนั้นๆนเนี่ยจะคงที่ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยความที่มันไม่คงที่นั่นแหละท่านเรียกวัดทุกความเปลี่ยนตัวมันนั่นแหละเปลี่ยนตัวไปเป็นอนิจจัง ความไม่คงที่เป็นทุกขงังเปลี่ยนตัวไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังมันเป็นไปตามภาวะของมันจิตใจมากเกาะมากคุมร่างกายนี้ก็จริงอยู่จิตใจบังคับบัญชาได้ไหมจิตใจบังคับบัญชาร่างกายให้เป็นไปตามใจหวังได้ไหมบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุที่บังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละคืออนัตตาอนัตตานี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวบง่งบอกว่าไม่ใช่อัตตาเป็นอนัตตา ชัดเจนพุทธเจ้าท่านทรงตรัสชัดเจนมากแต่ทําไงเราจะเคลียรขี้ฝุ่นออกจากออกจากอาตาใจของเราเนี่ยให้ใจของเราลืมลืมตาอ้าปากพอจะมองเห็นตรงนี้ได้อานาตตาอานาตตาไม่ใช่อัตตาคําว่าอนาตตาไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่คือมีมันมีเป็นสภาวะธรรมของมัน มันเป็นสภาพที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ดูตรงนี้ดูให้เห็นดูให้เข้าใจแล้วแล้วเราเราจะไม่ตายใจกับอัตภาพร่างกายของเราเราจะไม่นิ่งนอนใจกับอัตภาพของเรา acompañ. มันก็จะถอนจากการรับ ก, การชอบการยึดการถือเป็นการเข้าใจอย่างเข้าถึงหลักของสัจธรรมบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้ามันก็เบาบางไปเรื่อยมันทลุไปเรื่อยทะลุไปเรื่อยทลุไปเรื่อย เราสามารถถอนอัตตานุทิฏฐิได้นี่เป็นประตูแรกนะเป็นประตูแรกที่เราจะถอนได้ถอนอัตตานุทิฏฐิได้ตามเห็นว่าเป็นตนเป็นของของตนถอนได้ทำไมถึงถอนได้เพราะเราเข้ามาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วในปัญญาในสติในปัญญาของเราเนี่ยเห็นแจ่มแจ้งในสติในปัญญาของเราด้วยสติด้วยปัญญาของเราเป็นคนที่ได้หละ เป็นคนที่ได้เหตุเป็นคนที่ได้ผลเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพราะเป็นคนเข้าถึงเหตุเข้าถึงผลเข้าถึงเหตุเข้าถึงผลตรงนี้เพราะมาเห็นชัดว่าโอ้ใช่เป็นสังขารจริงๆเป็นสังขารเป็นไปตามภาวะของมันจริงๆไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆถอนการยึดมั่นว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราเป็นขขาได้ว่าเรามีใน ตัวในตนว่าตัวตนมีอยู่ในเราตามตามหลั ก, า ต, าลกตามหลักผู้ที่เข้าถึงกระแสตามหลักของผู้ที่เข้าถึงกระแสของธรรมนี่แหละคือต้นทางคือวิธีการที่เราศึกษาที่เราภาวนาพยายามทะลุทะลวงเข้ามาตรงนี้ให้ได้เราจะเจาะเข้ามาได้ยังไงถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้ถ้าเราไม่พิจร า, า, า, า, ร, าจรณาหาเหตุหาปัจจัยของรูปธรรมเราเราก็ติดอยู่ในนั้นแหละ กายเรากายท่านกายท่านกายเรากายเรากายเขาอยู่นั้นแหละมือเรา ต, ตีนเราปากเราตาเราจมูกเราหูเราผมเราขนเราเล็บเราฟันเราสภาพตัวตนของเราเราเจ็บเราปวดเราทุกข์เราทรมานเราเราทั้งนั้นเราขึ้นหน้าทั้งหมดไม่เห็นสัจจะที่แท้จริงตัวนี้เรามันปิดหูปิดตาเรามากที่เดียวความรุ่มหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราทําคิดให้ได้ไดไดรับความสงบสงบแล้วเราก็พิจารณา พ, พิจารณาไปแล้วมันก็สงบพรสงบแล้วก็พิจรารณาพิจารณามันหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันความสงบเป็นเหตุปัจจัยแก่การพิจารณาให้เกิดสติปัญญาสติปัญญาพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วมันก็สงบลงแนบนิ่งลึกละเอียดเข้าไปอีกมันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันมันก็ได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความปลอดโปรง่งได้รับความเบาอกเบาใจ เบา อ, อกเบาใจเนื่องจากว่าโอ้สิ่งที่เคยทับถมหัวใจของเราเนี่ยเราพอจะปอกออกได้บ้างปอกนั้นออกปลอกนั้นออกปอกนั้นออ ก, อ ก, ออกพอจะลืมหูลืมตาได้บ้างแค่นี้เราก็พอมีพอที่จะมีรสชาติแห่งอัจแห่งธรรมพอได้ดูดได้ดื่มได้กลืงงนรับรับประทานได้ดูดได้ดื่มกินไปเป็นวันๆไปนี่คือผลของการปฏิบัติเราผ่านตรงนี้ตรงนี้มันจะรู้ ร, รู้ยากเข้าใจยาก ทำไมตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วเข้าใจไม่ได้อโอ ก, กาสที่จะพาเราลุ่มหลงออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปอย่างอื่นมีมากมายเยอะแยะแต่ถ้าเราถ้าเราไม่มาตรงนี้แล้วมันมักจะหลงทางถ้าเรามาตรงนี้แล้วมันถูกหลักอริยสัจพิจารณาเจาะพิจารณาขบเพื่อที่จะบีบหัวของกิเลสตัญหาที่มีอยู่ภายในหัวใจในที่สุดมันก็เมื่อเราค้นไม่หยุดไม่หย่อ น, นก็พบจนได้มันก็เจอจนได้ เจอมากเจอน้อยมันก็เบามากเบาน้อยไปเลยตื่นตัวไปเรื่อยตื่นตัวไปเรื่อยตื่นตัวไปจิตมันถอนมาเรื่อยถอนมาเรื่อยถอนมาเรื่อยถอยมามันถอนจากการยึดมั่นถึงมันน่ะที่ท่าเรียกว่าถอยมาถอยมาพอรู้แล้วมันก็ปล่อยพอรู้แล้วมันก็วางเราไปตั้งใจปล่อยวางไม่ได้ดอกมันไม่ได้เข้าถึงเหตุถึงผลของมันตั้งใจปล่อยตั้งใจยังไงมันก็ปล่อยไม่ได้ท่านให้ท่านให้ศึกษาท่านให้เปิดดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจ แล้วมันก็จะหมดสงสัยนั่เองนี่เป็นวิธีเป็นวิถีทางที่เราจะพึงดําเนินไปตามมัคอริยมัคมีองค์แดรวมลงแล้วคือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่หลวงตาท่านว่าเป็นนามธรรมนามธรรมท่านให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมคือศีลคือสมาธิคือปัญญาศีลก็เป็นขอบเป็นกรอบให้เราเดินไปตามนั้นเนะพราะถ้าเราออกนอกศีลล่ะ เมื่อเราเพิ่มเพิ่มขี้ฝุ่นเข้ามาทับถมจิตของเราเนี่ยยิ่งหนาเข้าหนาเข้าหนาตึบจนไม่มีแสงสว่างอะไรออกมาได้เลยแต่ถ้าเราเดินไปในกรอบของศีลศีลมันจะเป็นตัวช่วยซักช่วยฟอกช่วยเราอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ให้เราออกนอกกรอบเพราะกิเลสมันทะลักเข้ามาในใจของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยท่านบัญญัติเป็นเรื่องของศีลเช่อนอย่างไม่ให้ฆ่าสัตว์เนี้ยท่านให้ฆ่าสัตว์น่ ถ้าพูดถึงส่วนใหญ่แล้วเราฆ่าทําไมเพราะความโลภเพราะความโกรธ ถ, ถ้าเราไม่โลภถ้าเราไม่โกรธเราจะไม่ฆ่าเราโลภเราโลภเช่อนอย่างเราต้องการฆ่ามาเพื่อเป็นอาหารเนี่ยเฆ่าเพราะความโลภเยอะคนมนุษย์ฆ่ากันเนี่ยฆ่าเพราะอะไรเพราะความโกรธเห็นไหมเราเห็นว่ามันเป็นด้วยอํานาจของความโลภของความโกรธพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ช่วยให้เราทําได้ลุ้ยอำนาจแกมันได้ไง่ายๆ นี่วิธีการพิจารณาเพื่อทำลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เรากจ็จะต้องย้อนมาตรงนี้นมีสินเป็นรั้วเราก็เดินไปในกรอบของรั้วแต่ละข้อแต่ละข้อที่ท่านที่ท่านมันหยัดมาเหมือนกับท่านปิดรูแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องไม่ให้เกเลดมันเกิดขึ้นที่จิตไม่ให้มันมนทับถมจิตไปให้มากอ่า เรวิทออกเรื่อยวิทออกเรื่อยวิทออกเรื่อยมื่อกันน้ำมันรั่วนั่นแหละรั่วใส่เรือวิทยออกเรื่อยวิทออกเรื่อยอุดรูนั้นอุดรูนี้ไม่ให้มันเข้ามาเ่ะวิทย์อันน้ําที่มีอยู่เรื่อยในเมื่อเราอุดรูได้หมดน้ําทะลัเข้ามาไม่ได้ตอกลิ่มเข้าไปไม่ให้น้ำมันทะลัเข้ามาอุดเข้าไปเอาไม้ตีเป็นลิ่มอุดเข้าไปอุดเข้าไปไม่ให้มันทะลัเข้ามาน้ําใหม่ไม่เข้าน้ําเก่าเราวิทออก เราฟังดูในแง่เหตุผลในเมื่อ น, น้ําใหม่เข้าไม่ได้น้ําเก่าเราพยายามพิดออกมันหมดไปไหมหมดไปเลยหมดไปเลยหมดไปเลยหมดไปเลยแห้งขอดเรือเราเบาสบายแล้วก็ไปได้สะดวกวิธีข้อปฏิบัตินตัวเรานั่งได้ยินได้ฟังด้วยกันทุกคนแล้วทั้ง อ, อกทั้งใจเอาละพอสมควรเวลาพระใหม่ก็ฟิตฟิตสายนะ ฟิตหอมผ้าฟิตอะไรมันทันหมูวันไหนฝนไม่ตกนี่ต้องซ้อนผ้าสังขาติผ้าสังขาต้องหัดซ้อนหัดซ้อนผ้าสังขาด้วยหัดหอมหรือหมหรือหอมรือหอมหรื อ, ร อ, ร อ, รอฟิตสน่อยเดียวเป็นไม่งั้นเรามางมอยู่นี่แล้วหมูเขาไปถึงไหนก็ามาู้แหละต้องได้วิ่งตามเขาใช้บริหารต้องหัดใช้คล่องนังบาดใช้เป็นเช็ดบาดให้เป็ น, าปนตาให้เป็นเก็บให้เป็น ต้องมีวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเป็นคู่มือนะเราดูแบบดูเพื่อเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยดูดูๆๆๆผ่านผ่านไปเรื่อยดูเรื่อยดูเรื่อยดูผ่านผ่านดูเรื่อยเืยเราก็ได้ข้อปฏิบัติหาหนังสืออุปสมบทวิธีไปดูวิธีการใช้ผ้าพินทุออธิษฐานผ้าอะไรมีอยู่ในนั้นนี่ ผสมบทวิธีมีอยู่ในตู้นี่ยนี่มีมหลายเล่มใครที่เคยเอาออกไปนะถ้าไม่ใช้นี่ให้เอามาเก็บในตู้นี่คืนผสมบทวิธีเนี่ยนะเอามาใส่ไว้ในตู้นี่คืนใครเอาออกจากตู้ไปถ้าไม่ใช้ห้ามเอาไปทิ้งที่อื่นให้เอามาไว้ในตู้พอเวลานั้นเราจะได้หาใช้ได้มันเป็นคู่มือมีไนยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองมันมีห้า ม, มาหาดูมี เาไปดูอันนี้เป็นวินัยเราไม่ยอมอุดรูเนี่ยเราไปวิต น, น, น้ําวิตน้ําเหนื่อยเปล่าต้องอุดรูด้วยน้ำมันถึงจะหมดไปได้<ฮ>เวลาคนเยอะๆเข้าไปรับทานในครัวเนี่ยทำวิธีไงจัดการยังไงใช้ระบบบุฟเฟ่ไหมไม่ยอมบุฟเฟ่ยังไง จากแล้วไปนั่งรับทานใช่ไหมก็ไม่เป็นไรไการที่เราเปิดให้เป็นวิวธีบุฟเฟ่นั่นนะมันเป็นการเปิดให้เขารู้จักจช่วยตัวเองอถ้าถ้าเผื่อเราเปิดให้เขาบุฟเฟ่ด้วยแล้วเราใช้กําลังของเราหมูของเราช่วยเสริมเข้าไปอีกมันก็เป็นการง่ายขึ้นถ้าเราไม่เปิดบุฟเฟ่เลยเราหนักมากใครๆสมมติอะสมมติอะทั้งหมดเนี่ยอย่างสมมุติอย่างที่มาเมร์เช้านี่ ว่าเขนั่งคอให้เราทําเนี่ยยุ่งยุ่งแน่ๆเลยค่อยเราตักแล้วเมื่อไรจะพอพอพวกนั้าพอพวกนี้ได้อย่างโน้นนี้ไหมพอยุ่งมากเลยปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาตักปล่อยเขาตักแต่สําคัญพวกที่เขาตักเห็นแก่ตัวนี่ต้องระวังแหละคือตักเอาไปบ้านน่ยเดี๋ยวนี้น่าจะไม่มีละมั้งนะ<ม>เวลางานใหญ่ๆมักจะตัดเอาแบบนั้นเนี่ย เราปล่อยให้ใช้ใช้ระบบระบบบุฟเฟ่แล้วเราคอยดูคอยบอกตักพอรับทานตักพอรับทาน ถ, ถ, ถ้าถ้าทำไมงั้นมันไม่ทั่วที่เราทำอย่างนี้เพราะมันกลัวมันจะไม่ทั่วถึงไม่ใช่เราห่วงเราทำเพื่อให้ทั่วถึงฐานะที่เราดูแลเราก็อาศัยสิทธินี้แหละบอกเขาเราอาศัยสิทธิที่เราดูแลนี่แหละเพื่อให้ทั่วถึงแล้วก็ทำด้วยเมตตา ทำด้วยเกื้อกูลทำด้วยอนุเคราะห์มันเป็นการได้บุญนะคนนั้นเอามากคนนี้เอาน้อยประเอ็ดตโลปเอ็ดใส่เขานี่ยประเอ็ดใส่เขาเนี่ยเดี๋ยวธรรมะเดี๋ยวกุศลมันหนีเปิดตะเลยเปิดเปิง่งนี้แหละกิเลสเข้ามาแทรกอีกก็ต้องระวังแหละ ถุงพลาสติกต้องเผาต้องมีคนเผาถุงพลาสติกอย่าเไปเทนะไปเทแล้วมันกระจายไปหมดพวกสัตว์อะไรมันดึงไปกระจัยกระจายไปหมดไม่ได้ถุงพลาสติกเราเคยบอกขยะเราเคยให้บอกให้แยกแยกแล้วไปเผาเราเผาทุกวันทําไมนี่มีมาดูนี่พระเขาเผาทุกวันนี่เนี่ยพระยอมทางนี้นี่เขาเผาทุกวันทุกวันเผาทุกวันเลยนะไม่มีเหลือเผาทุกวัน ที่นู่นก็ต้องมีใครดูแลเผาทุกวันระวังนะอย่าเอาไปทิ้งทั่วนะแล้วก็วันวันวันไหนเห็นว่าสุญพิสติมันกระจายก็ให้ผู้เท่าไปหาเดินเก็บเขาไม่เกินเดินเก็บเราไปหาเดินเก็บกันเองแหละเดินเก็บมาเผ้าให้หมดนะในเมื่อเราเดินเก็บมาเผ้าหมดแล้วเราค่อยดูมันไปจากไหนอีกมันไปจากเราทิ้งหรือเขาทิ้งมันไปอย่างไหนเผาหมดแล้วมันไม่น่าจะมีอะไร และอันใหม่ในเมื่อนี่มันก็ข้าหลักใช่ไหมในเมื่ออันใหม่เราก็เผาอันเก่าเราก็เก็บมาเผามันจะมีอะไรเหลือไม่เหลือใช่ไหมทํา ท, ทําเถอะทําด้วยตั้งจิตเป็นกุศลมันเป็นบุญน่หละควายวัวควายของใครเข้าคอกใครคอกเราอ่ะแหละมันไม่มีใครเข้าคอกคนอื่นดอกนี่โบราณท่านชอบ พ, พูดนะใครตั้งจิตเป็นกุศลทําประกอบ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นของคนคนนั้นคนอื่นไม่สามารถจะแย่งไปได้ดอกใครใครวัวใครเข้าข้อใครข้อเราใครเข้าค้อของคนคนนั้นแหละท่านเปรียบท่านเปรียบง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายๆการบุญการกุศลของใครให้ตั้งใจเอามันไม่ไปไหนมันเข้าใจของคนนั้นแหละนั่นหลักเป็นข้อเป็นพายชนะพายชนะเรายังพร่องอยู่ เราโมตรไปถึงเมื่อถือตัวโมตรกลัวเสียเปรียบภาชนะเราเปล่าภาชนะว่างเปล่าโมตรกลัวเสียเปรียบเขาโมตระกลัวเหน็ดเหนื่อยโมตรกลัวเสียเปรียบโมตระกลัวเสียท่าในที่สุดภาชนะเราว่างเปล่ า, เ, ลาเมื่อเราตั้งอกตั้งใจทําเราก็ต้องฉลาดตั้งกิตให้เป็นกุศล ถ้าเราไม่ตั้งจิตเป็นกุศลนี่อันนั้นเหนื่อยเปล่าถ้าเราไม่ตั้งจิตให้เป็นกุศลนี่ยเราเหนื่อยเปล่าเพราะอะไรเราตั้งใจทํำดีแท้แต่เราไม่ตั้งจิตให้เป็นกุศลนั่นเหนื่อยเปล่าเรารู้ว่าเราตั้งใจทําดีตั้งใจทําในใจของเราให้ดีเพื่อที่จะน้อมรับบุญอันนี้มันก็สะสมไปเรื่อยมันไม่ไปไหนแหละควายวัวของใครเข้าคอกใครคอบมัน บุญกุศลข้างใคเข้าออภาชนะข้างใครของเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราไม่มีเสียเปรียบได้เปรียบคนที่ฉลาดก็คนที่ฉลาดถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะคนฉลาดเนี่ยช่วยโอกาสทําโอกาสให้กับตัวเองมีช่องมีโอกาสทำเอามีช่องมีโอกาสทำเอามีช่องมีโอกาสทำเอา ไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวเสียเปรียบได้เปรียบใครไม่ต้องกลัวเหน็ดเหนื่อยเพราะเรารู้ว่าเราทําแล้วมันมีผลและทีท่แท้จริงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคําพูดเฉยเฉยเพราะเหตุกับผลนั้ไปตามกันต้องเข้าใจตรงนี้ต้องมองให้ทะลุพวกเราตั้งจิตเป็นกุศลแล้วทําอย่างใดอย่างหนึ่งจิตบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของเราไม่เข้าใครแหละเข้าเราแหละตั้งจิตไม่เป็นกุศล อกุศลมันไม่ไปไหนอ่ะมั น, เ ข, เ, น, ivot, ไไนเข้าจิตของเราอ่ะตั้งจิตเป็นกุศลกุศลไม่ไปไหนเข้าจิตของเราเลือกเอาอันไหนกุศลกับอกุศลน่าเลือกเอาฉลาดกับโง่โง่โงตามทําวิธีทําตามวิธีของกิเลสฉลาดตามทําตามวิธีของธรรมชโล่โง่ทําเป็นกิเลสฉลาดทําไปแล้วเป็นธรรมเรารู้เราก็ใจเราก็ทํา ทำไม่มากใดน้อยไม่ต้องเอาใครเป็นที่ตัง้งเอาเราเป็นที่ตัง้งเพราะอะไรเพราะมันเข้าสู่หัวใจของเรามันมาเพิ่มมาพูนในพายชนะของเราเต็มตื่นได้เร็วเราคิดได้ตรงนี้แล้วเราสบายบา ย, บายทำด้วยเรี่ยวแรงทำด้วยเสียสละทาด้วยกตือร้อน่นกระเฮียนกระหื้ที่จะสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ ถ้ามองตรงนี้ไม่จะไม่ออกล้วก็โอ้ยมือหดตีนหดอยู่นั่นแหละกลัวติจะเสียเปรียบเขาอะเลิกเนาะไปแล้วก็มีเวลาก็ภาวนา